พระพุทธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เก็บหรือใช้ให้เก็บรัตนาะหรือของที่สมมุติว่าเป็นรัตนาะในอารามหรือในที่พักแล้วรักษาไวา้ด้วยตั้งใจว่าเจ้าของจะรับคืนไปแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้